พระโมกคาลาก็ยืนประกาศว่าสงองค์ไหนที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลมีไหมอยู่ในนี้ขอให้ออกไปเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นนะไอ้องคเทสะทําความผิดของความกลัวความอายก็หดหย่อตัวลงมาไม่มีองค์ไหนออกนะจนถึงกับพระโมกคาลาเข้าฌานสมาบัติเข้าไปค่ายๆว่าเอาจับจอเลดา้าเข้าไปจ่อเข้าไปเลย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 ถ้าผมมาอยู่หรือไม่อยู่นะประวัติที่ผมก็จะไปนู่นนะอไปอำเภอสังคมเขาในมนลหลงผมไปพอเสร็จจากนี้ผมก็คงจะไปแต่ผมก็ไม่อยากจะไปแต่เขาในมลหลายครั้งเอผมก็จําเป็นอืควรจะไป <c oughs> พบพี่ๆน้องๆบัง่งตอนบ่ายสามคงจะมีการแสดงธรรมแต่ผมเสร็จเทศแล้วขงผมคงจะกลับมานะอพอกลับมาฉันจะหารเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะลง